วันนี้วันนี้พอดีเมื่อเมื่อเช้าสักตีห้าเศษน ะ, ะก่อนหลวงพ่อไปบินทบาตแล้วก็โยมจอมพงก็ได้แชททางไลน์นั่นแหละแล้วก็ถามว่าเออว่างไหมคุยได้ไหมเราก็โอเคเตรียมพร้อมก็คือก็คุยทางทางไลน์กันนี่แล้วก็บันทึกเสียงไว้ด้วยนะแล้วก็เห็นว่า ประเด็นที่คุยเนี่ยมันก็ก็เป็นประโยชน์กล่าวว่าเดี๋ยวสักเราคุยกันสักพักหนึ่งก็จะเปิดรีเพย์ตรงที่คุยกับโยมจมพงษนี่แหละมาฟังซ้ํากันอีกทีหนึ่งแล้วก็อาจจะพวกเราที่ได้ฟังก็อาจจะมีการพูดคุยขยายนะขยายในสิ่งที่ได้ยินเนี่ยเพราะว่ามันเรื่องจริงๆธรรมะนี่คือต้องคุยเรื่องของของกายของใจนะ เพราะว่ามันเป็นคุยเรื่องของตัวเองแล้วก็เป็นสติปัฏฐานในขณะที่ที่คุยแต่ถ้าเราไปคุยเรื่องอื่นๆเนี่ยมันนอกมันนอกสติปัฏฐานก็ทําให้ลืมตัวไปในระหว่างที่คุยเนี่เพราะฉะนั้นก็ตรงชั่วโมงอย่างเงี้ยก็คือเน้นกันเรื่องที่ว่าเออคุยกันในเรื่องของสติปัฏฐานคือความรู้ตัวรู้ตัวมันก็ทําให้การได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นการ อก็อเรียกว่าเป็นเดชปั จ, จัยที่จะทําให้เกิดสติปัญญานะฟังบ่อยๆสติปัญญามันก็เกิดบ่อยแหละอเมื่อสักครู่หลวงพ่อบอกว่าเออ่ได้สนทนากับคุณจอมไปนะคะค่ะแล้วก็มีประโยชน์มากเลยแล้วก็เดี๋ยวหลวงพ่อจะมาเปิดเ อ, อให้ฟังอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะในการสนทนาคุณจอมพงมีอะไรเสริมไหมคะเมื่อกี้ที่สนทนาไม่ทราบหัวข้ออะไรเอ่ยที่ที่ ท, ที่ได้คุยกันนะคะ เขาให้สนทนากับและมาสการหลวงพ่อและก็พระพอยนะครับในประเด็นที่ว่าไอาตัวเรารู้นี่เป็นสังขารและไอรู้เรานี่ไม่ใช่สังขารแต่ว่ากว่าจะเข้าใจตรงนี้นะครับก็ต้องสนทนาไม่นั้นก็กลายเป็นเรารู้เรื่องสังขารอีกมันละเอียดนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวให้ให้ได้เปิดสนทนาดูที่ว่าผมพูดอะไรลงไปบ้างเพราะขนาะนั้นที่ผมพูดก็ไม่มีแล้วตอนนั้นตอนนี้ก็ไม่มีแล้วตอนนี้ครับค่ะสาธุอ้า มันเป็นเรื่องที่ละเอียดมากๆเลยแต่ว่าถ้าไม่มีการก็เรียกว่าไม่มีการระยะนานมิตเนี่ยมันมันยากมากที่จะรู้ได้นะหมายถึงว่าจะรู้ตัวให้ถูกตัวเนี่ยมันยากมากเพราะความเป็นจริงทุกคนก็พอจะมองเห็นว่าจริงๆอะก็คือเอาตัวไปรู้ไม่กระทําการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เอาตัวไปปฏิบัติการที่จะเข้าไปในสำนักไหนนะก็เอาตัวเข้าไปเอาตัวเนี่ย เข้าไปเป็นผู้ปฏิบัติจะไปสนทนาธรรมที่ไหนก็เอาตัวเข้าไปเป็นผู้สนทนารวมถึงเข้ามาห้องขลับเฮาเนี่ยก็เอาตัวเข้ามาในห้องขลับเฮาแต่ก็ไม่เห็นตัวสักทีเพราะมันลืมลืมไปเผลอไปนะคะ <c oughs> ไม่ลืมเนี่ยบางทีนะถ้าเผลอนะหลวงพ่อเคยพูดไงสุ่มว่าเราดูปโปรไฟลใ์ในในตัวศัพ์มือถือเนาะ เราเนึกว่าเราอะไปอยู่ในในห้องเนี่ยในห้องสนทนาแล้วไอรูปโปรไฟล์นี่ยมันเป็นโปรไฟล์ของเราอะค่ะมันมันเป็นไปแล้วไงเพราะว่าขาดการพิจารมันลืมเนา ะ, ะแล้วก็ใครมาด่าโปรไฟล์เราเนี่ยอย่างนั้นผมโกรธนะเพราะว่ามันด่ากู อ, ะ อ, อ, อ่ะเนี่ยเนี่ยมีเวลามันหลงลืมตัว <laughs> ทีนี้ถ้าเราคุยเป็นแนวทางปฏิบตัติคือคุยไปด้วยแล้วก็คุยแนวทางก็เรียกว่าเป็นสติปัฏฐานไปด้วยอนะ อย่างน้อยมันก็เกิดปัญญาแล้วก็เขาเรียกว่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้อนจริงๆ้วลงลองดูสิสมมติเราไปด่าเอาสมมติยมหนุ่ยน้อยน้อมีโปรไฟล์อย่างเงี้ยเนะาะค่ะแล้วเราสมมติว่ามีใครคนเดิงพูดหนึ่งพูดถึงเรื่องโปรไฟล์นะพูดถึงไอ้ที่ตามองเห็นน่ะแล้วก็ในนี้ก็เขียนว่าหนุ่ยน้อยแล้วก็ทั้งเอ่ยชื่อบอกหนุยหน่ยน้อยหน้าตาอย่างงี้โอ้ยแย่อย่างงั้นอย่างงั้นถ้ารู้ไม่ทันน่ะมันกลายเป็นเขาด่าเราเลยนั่นน่ะ ค่ะหลบมีนะค่ะอือจริงๆริงก็เขาก็แค่ตารูปนะคะน้องเขาไม่ใเใอสอ่เราเห็นเนี่ยบางทีที่ในไอโซเชียลเนี่ยก็จริงๆรงไอที่แชร์ไปต่างๆมันก็เป็ น, เ ป, นเป็นแค่รูปเป็นแค่สิ่งที่ตาไปมองเห็นเนาะเป็นสีเนะาะค่ะเป็นสีแล้วก็เป็นรูปเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ก็โจมตีกันทุกวันเนี้จริงจริงอ่ะเาไม่ได้ด่าตัวคนโน้นแต่เขาด่าในเรื่องข้อความหรือว่า ในในเฟสในอะไรทั้งหมดเลยอ่ะแต่เจ้าตัวโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอ่ะโอ้เนี่ยเนี่ยเพราะอะไรอ่ะบอกว่าไม่รู้ตัวแล้วก็หลงหลงว่าอันนั้นเป็นเราอันนั้นเป็นของเราแต่ถ้ามีคนมาเตือนสตินะสมมติว่าคนที่คุ้นเคยกับการได้ยินได้ฟังก็บอกเออเออเออไม่ได้ด่าเราเน้นนั้น<ค> น, น่นนนะก็พูดของเขาแล้วก็ขเขาไปด่าเลยก็ไม่รู้เออรู้สึกหายโกรธได้ไงเพราะว่ามี ตัวมาช่วยสะกิดมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงมาบอกอะไรเงี้ย<า>ในท่านนี้เรียกว่ายัางช่วยตัวเองไม่ได้แต่พอมีคนมาบอกมีคนมาชี้แนะตื่นรู้เลยใช่ั้มก็หายกดเป็นจับพันกันเลยอะ่ะใช่ค่ะดิฉ <c oughs> ันบอกว่าก่อนนี้จะเห็นพวกนี้ย เ, เราก็ต้องเจริญสติอนะคะอ่าแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าก็คือเ อ, อการเจริญสติปฐานก็มีอะไรนะเจริญสติฐานสี่ใช่ไหมคะ หก็ไม่แม่นนะคะทราบแต่ว่าคุณๆว่าอะไรเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาที่อย่างค่ะจิตไอ้จิตทําในธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นเห็นกายในกายบางคนบอกว่าเอ้ยเห็นกายในกายคือเห็นเราในกายหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะจริงๆไม่ใช่นะคะเห็นกายว่าเอ่อเห็นกายในกายก็คือไม่ใช่เห็นว่ากายว่าเป็นเรา นะเวลาเราเดินอย่างเงี้ยถ้าเราเดินแล้วมีสติอย่างเงี้ยจะเห็นว่ากายมันเดินไม่ใช่เราอะเดินอย่างเงี้ยนะคะหรือเห็นเวทนาในเวทนาเป็นยังไงก็เห็นว่า เ, เวทนาไม่ใช่เห็นว่าแบบเป็นเราของเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรามีปวดเจ็บนั่งนาห น, นึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็มันก็เกิดขึ้นกับแค่กายไม่ใช่เราเราไปปวดหรือว่าเราจะไปแบบชาอะไรอย่างงี้นะคะก็คือ เวลาเจริญสติแล้วเนะี่ยเวลาปวดมันก็ไม่ใช่เราหรือเวล า, าโกรธอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เราโกรธในอย่างเงี้ยค่ะนะคะแะถ่ถอย่างจิตไอจิตนะคะก็คือไม่ใช่ว่าเห็นว่าเป็นของเราเหมือนกันนะมีความเครียดหรือมีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ฉันเครียดนะคะอ่านะไม่ใช่ฉันฉันโกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันทีนี้เอถ้าขันเอ้ไม่ใช่ค่ะถ้าทำในทำน่าจะ ไม่แน่ใจว่าว่ายังไงอะเห็นทําในธรรมหลวงพ่อช่วยขยายได้ไหมคะต้องเอาผู้เก่งปริยัติแหละเพราะว่าหลวงพ่อจะให้แปลตามมานั้นน่ะนะคือต้องได้ยินได้ฟังใช่ไหมแล้วก็ไปจดจ<ะ>ําาว่าเขาอธิบายว่าอย่างไรแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็เอาคัพปี้คนอื่นมาพูดทั้งนั้นแหละออย่งางเพราะว่าถ้าเราไม่ได้อ่านลองดูนะยมลองวินาดูนะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่เคยได้อ่านไม่เคยได้ยินได้ฟังเราก็จะพูด<ะ>ไม่ได้เลย เพราะงั้นการที่เราพูดได้เนี่ยเป็นประโยชน์เหมือนกับสิ่งที่ได้ยินมาแล้วก็พูดกันมาอันเนี้เขาเรียกว่าจํามาก็ py ้มาเออซึ่งมันก็เป็นประโยชน์นะไม่ใช่ว่าเสียทั้งหมดก็เป็นประโยชน์เพื่อที่จะการไปถ่ายทอดให้คนอื่นเนาะแต่สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นความรู้จําเออแต่ตัวสติปัฏฐานจริงๆอ่ะมันไม่มีภาษาไงมันไม่ต้องจําจากใครก็หมายความว่ามันรู้เลยแต่เพียงแต่ว่ามันไม่รู้จักว่าเข้าบัญญัติว่า เ อ, อ, อาการอย่างเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรใช่ไหมออแต่ทีนี้ถ้ามีคนมาบอกเป็นภาษาหน่อยต่อไปเราก็จะพูดเป็นเหมือนเหมือนหลวงพ่อเมื่อวานที่เล่าถึงเรื่องการเจริญสตินะก็อบอกทอําได้แล้อเดี๋ยวรู้เองอะ่ะเพราะว่าหลวงพ่อไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าไอ้คาว่ารู้เองอ่ะไปรู้อะไรละ่ะแล้วก็พอเจอเข้าจริงแล้วขนาดมันรู้ไปแล้วนะแต่ก็บอกว่ายัางไม่รู้เพราะ เราไม่รู้ว่าสิอะไรอ่ะที่ต้องให้รู้อ่ะแต่ถ้าบอกว่าก็ไปรู้เนี่ยไปรู้ที่ร่างกายมันเคลื่อนไหวเย็นร้อนอ่อนแข็งอะเย็นอะรู้อะร้อนก็รู้อะอะไรก็รู้น่ะเออถ้าอย่างเนี้ยมันจึงรู้จักแล้วก็จังง่ายขึ้นอ๋ออ๋อแก็รวมแล้วก็คือต้องอาศัยการฟังนั่นแหละเพื่อที่จะทำไม่เราได้รู้ถูกตัวมากขึ้นนะค่ะเหมือนเหมือนกับที่เราจะวันเนี้ที่ตั้งประเด็นขึ้นมาเนี่ยผู้รู้ที่พูดได้เป็นทางการตกแต่เนี่ย สมมติโจทย์เอาแค่นี้นะผู้รู้ที่พูดได้เป็นสังขารปรงแต่งอย่างน้อยก็คนก็งงเรื่องผู้รู้แล้วผู้รู้ใครว่าผู้รู้นี่เกิดมายังไม่เคยพบผู้รู้เลยนะเนี่ยไม่เคยเลยแล้วผู้รู้คืออะไรหน้าตาแบบไหนไม่เข้าใจไงแต่ทีนี้ถ้าเราพูดไปแล้วก็ยกตัวอย่างขึ้นมาถามต่อถามตอบ ก, กันมาเดี๋ยวก็รู้จักผู้รู้เองแหละแล้วก็จะเข้าใจว่าผู้รู้เนี่ยมันมันเป็นแบบไหนยังไงมันพูดได้หรือมันพูดไม่ได้เดี๋ยวก็รู้เองนะใช่ไหม เราก็ยกตัวอย่างนะเช่นสมมติว่าเโยมหน่อยน้ยไปไปอ่านหนังสือไปอะไรมาเนาะแล้วก็จําได้ทั้งจําได้ทั้งเข้าใจทั้งอะไรเสร็จแล้วโยมหน่อยน้อยก็มาเล่าคนอื่นมาบอกให้คนอื่นฟังว่าเนี้ยรู้มาอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยอ่าเนี้ยอย่างเงี้ยตรงไหนละลองดูที่ว่าเหตุการณ์ตรงนี้ยตรงไหนที่เรียกว่าผู้รู้ก็คนที่ไปเรียนนั่นแหละก็เป็นผู้รู้เสียเองในตอนนั้นเพราะว่าไป จริงๆอาการรู้เนาะมันก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเนาะแต่<ะ>ด้วยความเขาเรียกว่าเป็นอวิชาก็คือไปยึดไปยึดความรู้ว่าจากการที่ได้ไปอา่านไปฟังไปพิจารณาจนเข้าใจไปยึดความรู้ว่านั่นคือเป็นความรู้ของเราคือเรารู้<ะ>อ่าพอเรารู้เสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะพบผู้รู้แล้ว ผู้รู้ก็คือเรานั่นเองไงหลวงพ่อไม่น่าเฉลยเลยเร็วเกินไปหลวงพ่นี่เสียอย่างหนึ่งคือมันเฉลยเฉลยเร็วใช่ไหมคะแต่มีนะคะเมื่อี้เาเฉลยไปเสร็จยังยังงงอยู่ค่ะหลายหลายท่านอาจจะยังงงอยู่นะคะใช่ยังงงยังงงอยู่แต่แนวเส้นน่ะหลวงพ่อเคยเคยศึกษาเนี่ยอาจารย์ไม่เฉลยหรอกค่ะใชยให้เขางงเลยแบบว่านค่พูปริศนาทำพูดอะไรบางอย่างจนกระทั่งว่าลูกศิษย์หรือคนฟังเนี่ยปิ๊งเอง อย่างอย่างเคสตรงเนี้ยอาะสมมตินะเรื่องทงกับลมใช่ไหมค่ะเถียงกันเกี่กับกายอ่ะเถียงกันจะชกจะต่อยกันอยู่แล้วมั้งอาจสมมุติน ะ, ะแล้วก็เวลางก็มาจะกิดหน่อยพูดก็บอกว่าเอยมันไม่ใช่ทงไม่ลงหรอกแต่เรื่องเนี้ยเนี่ยเนี้ยอยู่ภายในใจเนี่ยไอ้พวกนั้นมันมีปัญญามันใช้ลาดไงก็เออเวลางไม่ต้องขยายมากหรอกสุดท้ายก็ทุกคนเงียบหมดแล้วก็อื้อ อ, อ, อืเหมือนกับลงเขยใจอ่น ะ, ะว่าที่แท้ตัวคิดเอาเองปรุงเอาเองแต่งเอาเอง บ้าอยู่คนเดียวเนี่ยอีกเขเรียกใครบ้าอีบ้านี่ยใช่ค่ะ <laughs> ก็ซาลก็ <laughs> เปิดเหมือนกับตอนนี้นะคะมันจะมีเอ่อรายการหลายๆรายการอย่างเช่นทุกวันเนี้ยคนเราจะดูข่าวนะคะช่วงเช้าเนี่ยหนูจําไม่ได้โขนกระแสเล่ละตาค่ะช่วงนี้ก็จะมีข่าวที่บอกว่ามีเอ่อคนเอ่อผู้ชายคนนึ่งะค่ะทำงานอยู่เอ่อโรงแรมบางอย่างนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตื่นสุราแล้วก็ ต้องการไปชนแก้วผู้หญิงคนนึงซึ่งเขทานข้าวอยู่นะคะผู้หญิงก็ไม่อยากจ ะ, ะชนแก้วด้วยเพราะว่าทานข้าวอยู่ก็เลยเอาน้ำเนี่ยราดศรีรษะผู้หญิงคนนั้นนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็โมโหค่ะนะคะแล้วก็ไม่รู้เสียแล้วว่ายังไงก็คือตอนหลังเนี่ยก็เตะต่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการต่อสู้เกิดขึ้นคนก็วิจารณ์กันไปค่ะนะคะบางคนก็วิจารณ์ว่าเออเหมาะสมนะไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเป็นนักมวยเก่าอะไรสักอย่างเนี้ยนะคะ แล้วก็บางคนก็บอกว่าเนี่ยทาให้เสียการเสียงานแต่ทุกคนที่คอมเมนต์หรือว่าอะไรก็ตามที่ตัวรายการนะค่ะสังเกตค่ะคือลื่นเต็มเลยค่ะว่าตัวเองทําอะไรอยู่ตัวเองไปเอาเข้าร่วมเข้าไปใ น, ในเหตุการณ์นั้นซัเต็มตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเรารับสืบเออเสพข่าวสารพวกนี้ค่ะหรือว่าบางทีเรารับรู้ข่าวอะไรพวกนี้ค่ะ เมื่อที่เราหลงลืมตัวไปนะคะว่าเรากระโจนเข้าไปเป็นหนึ่งในนั้นด้วยอย่างเงี้ยนะคะอ่าตรงนี้ก็ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับอหัวข้อด้วยเหมือนกันนะคะก็สามารถที่จะทราบได้ว่าเอ๊ะแล้วผู้รู้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเราเรามีสติเนี่ยนะคะแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อเรารับสื่อข่าวสารม า, าพวกเนี้ยจริงๆมันก็ง่ายๆนะในชีวิตประจําวันเราต้องรับอยู่แล้วทุกๆวันนะคะ เราจะทํามันยังไงหรือว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะแลสวัสดีออเดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยนะคะก็คือผู้รู้ที่พูดได้เป็นสังขารตรุงแต่งนะคะถ้าท่านใดเอ่อต้องการที่จะสนทนานะคะแล้วก็ลองอธิบายหรือว่าลองเปลี่ยนทัชนะนะคะแล้วเปลี่ยนทัชนะว่าเอ๊ะที่เราปฏิบัติมาเนี่ยมันเป็นคล้ายๆแบบนี้ไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็เดินเชิญนะคะครับค่ะคุณจอมคะ่ะคำน้ำมันสการหลวงพ่อครับคือประเด็นที่สําคัญเมื่อกี้หลวงพ่อพูดในแน่ที่ว่าผู้รู้คือตัวเรานี่นะครับรู้ทุกอย่างแต่ว่ามันมีคําพูดตั้งแต่มาเข้ากลุ่มขับเฮาแล้วก็เป็นคําพูดที่ได้ยินบ่อยจากจากการสนทนาที่หลวงพ่อพูดหลายครั้งหลายหนว่าเรารู้กับรู้เราซึ่งตรงนี้นะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจอ ย, อย่างยิ่งเลยครับ ซึ่งซึ่งเหมือนกับผมเป็นตัวแทนของคนใหม่ก็ได้หรือว่าจริงๆผมก็พอจะเข้าใจแล้วแหละสี่งขวงสี่งงพ่อพูดเนี่ยแต่ถ้ามาใหม่จ้ามาเลยแบบว่าเออไม่เคยไปสำนักไหนเลยไม่เคยเลยแบบเป็นแบบไม่รู้จักเลยว่าเรารู้หรือรู้เราหรือพุทธะรู้หรือผู้รู้อะไรเขาเป็นคนใหม่จริงๆเข้ามาขับพาะวันนี้วันแรกก็อยากจะให้เห็นว่าในสองคำนี้นะครับเรารู้กับรู้เรานี่ครับ มันต่างกันมากไหมหรือว่ามันต่างกันนิดเดียวหรือว่ามไม่ต่างกันเลยตรงนี้ต้องการให้ให้จริงๆถ้ามีคนใหม่จ๋ามานี่จะดีมากเลยว่าเขามีความเห็นไหมว่าเรารู้กับรู้เหล่านี้มันต่างหรือไม่ต่างหรือว่าต่างกันเล็กน้อยนี่ครับประเด็นนี้อยากจะเชิญชวนให้สนทนาครับอืมแต่ทุกคนเลยจัดชัดเจนตั้งหัวข้อแบบนี้อืมอ่าทีนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้จะย้อนไปนิดหนึ่งก่อน ที่ยอเหมือนุ้ยพูดถึงเหตุการณ์เนาะที่เกิดขึ้นมีอชายหนุ่มเอาน้ําไปลาดหัวผู้หญิงใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ในชีวิตประจํำวันนะซึ่งมันเยอะเรื่องมากมายเนาะมากมายแต่ทีนี้ว่าทําไมเอ่อบางคนเนี่ยเขาก็ได้แค่รับรู้คือรับรู้รับทราบว่าเออในเหตุการณ์บ้านเมืองเนี้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วก็รับรู้รับทราบคือทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งอะไรเนี่ยนะ แต่นคนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ร่วมมาลงแสดงออกความคิดความเห็นคือเขาแก่รู้แล้วก็เงียบๆเอาไว้นะแต่มีบางกลุ่มคือเมื่อรู้แล้วก็ก็ทั้งพูด ท, ทั้งบ่นทั้งบวยวายทั้งตำหนิตีเตียนทั้งชมสารพัดอันนั้นแหละเขาเรียก ว, ว่ามันเป็นเป็นการแสดงเนาะจริงๆอ่ะในหลักธรรมะเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสอนเยอะโดยนะท่านที่สอนในเรื่องของทางปัญญาทางของหลุดพ้นเนี่ยท่านบอกว่าให้เป็นผู้ดู อยากเข้าไปเป็นผู้แสดงน ะ, ะก็ให้เห็นมันสแสดงอะ่ะเออทีเนี้ยถ้าเป็นคำพูดแบบนี้เมื่อก่อนเราก็ไม่เข้าใจนะแต่เมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยคนที่เข้าใจก็ามาช่วยกันแชร์แชว่าอาการที่เห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นหรือว่าอย่าไปอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงเนาะก็คูปรมาก็คล้ายๆกับอย่างนี้แหละเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็รับรู้รับทราบแต่ไม่ต้องไปออกความคิดความเห็นหลอกอย่างเงี้ย ก็อย่างน้อยก็ทําให้รู้ว่าเนี่ยการที่ไม่ออกความคิดความเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีความปรุงแต่งนะคือไม่ปรุงแต่งมากอ่ะแต่มันปรุงแต่งในใจก็ไม่เป็นไรเป็นปกติเนาะแต่อย่าแสดงออกชนิดที่ยิ่งคุยไปคุยมาก็เกิดยิ่งมีข้อขัดแย้งมากมายนะอย่างอย่างตอนนี้นะที่หลวงพ่อมองนะแต่นี่นี่นแสดงแล้วนะคือตอนที่ตอนที่หลวงพ่อไม่พูดนะก็คือรู้อยู่คนเดียวแต่ตอนเนี้คือพูดก็คือแสดงให้เห็นอย่างนี้ เรื่องเรื่องตรงเนี้ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะรุนแรงนะคือความคิดความเห็นเกี่ยวกับศาสนาเนาะอย่างที่เรา oh. ฟังกนะันนะั้นนะคือคนก็รักเราเข้าใจแต่ว่าเออต่างคนก็รักศาสนาของตนเนาะอย่างนั้นอย่างนี้แต่การแสดงออกมากๆบางครัง้งบางข่าวเนี่ยมันก็ยิ่งยิ่งไม่ส ง, งบยิ่งเก uh ิ huh. โดโน้นเกิดนี่แต่ทีนี้ถ้าทุกคนเนี่ยใช้หลักจะเป็นไปไม่ได้อ่ะนะแต่ว่าถ้าทุกคนใช้หลักก็คือว่าอยู่ในอาการส ง, งบฝ่ายโน้นก็อยู่ในอาการส ง, งบฝ่ายนี้ก็อยู่ในอาการสงบ มันก็ไม่เห็นมีอะไรนะอย่างเงี้ยประมานี้อันนี้ก็ยกตัวอย่างเพื่อเป็นอุปมาอุปไมยนะสาธุสาธุทีนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้ามาพอสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะหลวงพ่อจะเปิดจะเปิดที่เราหลวงพ่อคุยกับโยมจอมพงษ์มาตอนเช้ามืดวันนี้นะแล้วก็ฟังด้วยใจจดใจต่อว่าเออมันเป็นยังไงอะไรเงี้ย เพราะมันทําให้เกิดปัญญาทั้งนั้นหละพวกเนี้เนะาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าไปแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากพอสมควรแต่ว่าถ้ามาคุยมาบอกกันเนี่ยผู้ที่ไม่เคยได้ยินผู้ที่ไม่รู้ก็อาจจะได้ยินแล้วก็มีความรู้เพิ่มขึ้นเข้าใจมากขึ้นซึ่งเหมือนกับว่าโหเมื่อก่อนมันไม่ใช่เหลียวใจเลยนะเรื่องพวกนี้นะใช่ค่ะตาเปิดค่ดด<น>ะรู้แต่บางทีเนี่ย เวลาแล้วก็ความจริงที่ทุกต้องตายนะครับมันมันมันไม่ใช่เวลาที่มาเรียนรู้เล่นๆแล้วลองๆ อ, อยู่ครับมันเหมือนกับว่าไม่ไม่เห็นทางออกเลยครับของการเรียนรู้ยิ่งเรียนไปก็ไปเจอทางตันแล้วก็ขาดครูบาอาจารย์ที่ชี้แนะว่าจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนั้นครับมันเป็นเรารู้ทั้งหมดเลยที่เรียนมาครับอืแล้ว แล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าแล้วใครรู้ไม่เคยมีการตั้งคําถามในลักษณะเช่นนี้เลยเหมือนกับว่าใครบอกว่าไปเรียนวิชานี้ไปเรียนสายนี้ก็เรียนตามเพื่อนนะครับบอกว่าเออไปเรียนสายวิทย์ดีก็ไปเรียนตามเพื่อนโดยไม่รู้ว่าสายวิทย์คืออะไรแล้วเรียนยังไงไปสายวิทย์ไปทําอะไรอาชีพอะไรปลายทางไม่รู้ก็เหมือนขาดครูแนะแนวครับแต่ว่าการที่มีหลวงพ่อมีปริญญามิตรมีผู้รที่เข้าใจและประสบการณ์ของท่านนั้นมันเท่ากับย่นย่ความสําเร็จ เราบางทีเราก็ไม่รู้ถ้าเราศึกษาพระใจวีดโตกันเราก็ไม่รู้จะเริ่มยอยากจุดไหนก่อนเพราะบางคนก็บอกว่าเออทำมาทั้งหลายเป็นอนัตตาพอเข้าใจตรงนี้แต่ก็พยายามที่จะทําให้ไม่มีเราคือพอพยายามทําให้ไม่มีเราวัดกลับกลายเป็นว่าเราทําอีกทีหนึ่งซ้อนอีกทีหนึ่งครับอซึ่งตรงนี้มันยากจริงๆซึ่งสมัยก่อนไปฝึกความรู้สึกตัวนะครับมันก็ ก็เหมือนที่หลงพ่อพูดว่าครูบาอาจารย์บอกว่าทไปเดี๋ยวรู้เองผมก็ทําตั้งแต่ประถมนะครับตั้งแต่ตอนมัธยมนี่จำความได้ก็คือว่าไปยกมืองแบบว่าทั้งวันทั้งคืนเพราะบอกว่าเออเธอทําทใช้เวลานี้ยิ่งเวลามากยิ่งทํามากนี้ยิ่งยิ่งอดทนยิ่ ง, ย, งยิ่งรู้เยอะก็กลายเป็นว่าทําไปทํามามันเป็นเรารู้ไปหมดครับอื <laughs> แต่วา่ามันไม่เคยมีตั้งคําถามเลยแล้วว่าใครรู้ หรือว่าที่ทํามานั้นมันถูกผิดประการใดก็ไม่มีข้อสังเกตดังนั้นเหมือนเหมือนกับว่าเด็กเรียบร้อยนี่ครับเด็กเรียบร้อยที่เขาบอกว่าเด็กเรียบร้อยนั้นมันจะทำมันจะทําแบบทําแบบไม่เฉลียวครับทําไปตามที่เขาบอกให้ทําไปทําไปแต่เด็กที่เฉลียวนั้นครับอาจจะไม่เรียบร้อยก็ได้แบบใส่องว่าเออดีไหมว่าถูกไหมว่าใช่ไม่ใช่อะไรแบบนี้คือไม่มีการสังเกตตัวเองครับ จึงเหมือนกับว่าที่หลวงพ่อมาเมตตาตรงนี้มันเหมือนกับว่าคือเส้นทางมันเหมือนมีครูแนะแนวอะครับว่าเออลูกไปเรียนสายนั้นนะคือถ้าเรียนสายนั้นลูกต้องรู้นะว่าสายนั้นมันมันทันนักมันจริงไ้มมันใช่ไหมมันไปเส้นทางนี้ไปได้ยังไงครับอืครับดีแล้โยมจับเส้นทางได้แล้วครับจับเส้นทางก็เดินบนเส้นทางนี้เนาะแต่เส้นทางอื่นมันก็ยังมีคูน่นหละแต่เพียงแต่ว่าไม่หลงไป นะเช่นกรณีการเรียนรู้การสอนหนังสือเนี่ยอันเนี้ยมันก็ยังทำหน้าที่อยู่แต่ว่าเข้าใจแล้วแหละ ว, ว่าอันนั้นเน่เป็นเราทำเนาะเราสอนเราก็อะไ ร, รก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นเป็นโลกโลกนะก็รู้จักโลกแต่ทีนี้ขณะเดียวกันก็มีปัญญารู้จักถึงการรู้สัจธรรมสัจธรรมก็คือว่าตัวเราที่เป็นผู้สอนเด็กเป็นผู้ ให้ความรู้กับเด็กไอ้ตัวนี้ทั้งตัวเนี่ยมันก็เป็นสังขารแล้วก็เมื่อรู้แจ้งชัดว่าอ๋อสิ่งใดที่เป็นสังขารสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทกรวมถึงเป็นอนัตตาด้วยเพราะนั้นตัวเราที่เป็นผู้สอนให้ความรู้กับเด็กเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยโตโตโตโตมันก็เป็นสังขารนั่นเองแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนเราแต่ก็ยังทาหน้าที่ด้วยความก็เรียกว่าเป็นปัญญานะทาหน้าที่ด้วยปัญญาในทางธรรมะ แล้วก็รวมถึงปัญญาทางโลกก็มีอยู่ <Yeah. S 1> ก็เลยรวมแล้วก็คือยังทําเต็มที่แถมอาจจะทําได้ดีกว่าเก่าด้วยซ้ําเพราะว่าความเห็นแก่ตัวที่ว่าเป็นเราเป็นเรามันไม่มีก็เลยมีแต่เมตมตามีแต่เสียสละเนาะก็เงีย้ยสมบูรณ์แล้วว่าจะทำหลวงพ่อว่าพ่อเหตุใดในตําราหรือว่าในคมภีร์บอกว่าพอรู้ถูกมันจะต้องไปรู้ว่ารูปนามแยกขาดอยา ก, กาันแต่ว่าที่ที่ ที่มารู้ตัวเราตรงนี้ครับมามามามารู้ตัวเราตรงนี้มันไม่มีการเข้าใจตรงนั้นเลยว่ารูปนามแยกขาดจากการเป็นเส้นทางครับอืมเด้าถามบิพีนหมายถึงว่าที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของพระพิธรรมมา <c oughs> เขาบอกว่ามันมีขั้นปริยตัติขั้นปฏิปฏิแล้วก็ขั้นปฏิเวทขั้นขั้นประจักษ์แจ้งนั้นจะเห็นรูปนามแยกขาดจากการอย่างติ้นเชิงครับ ก็จริงๆตรงนั้นมันมันก็ถูกนะเราดูแล้วว่าว่ามันก็ถูกคือแยกขาดจากกันอย่างสิ้นเชิงอนะ่ะก็สมมติว่าตอนที่เราไม่เข้าใจธรรมะเนาะเราก็เอาตัวเราไปเรียนพอเอาตัวเราไปเรียนเนี่ยมันก็ตัวเรานี่แหละจะเป็นผู้รู้เป็นผู้เข้าใจนะเข้าใจในเรื่องภาคปริยัตเป๊ะเลยว่าโอ้บางทีนะถึงบางคนเนี่ยก็เข้าใจอยู่แล้วแหละ ว, ว่า โอเข้าใจหมดเลยว่ารูป ก, ก็ส่วนหนึ่งรูป ก, ก็อย่างหนึ่งน้ําก็อย่างหนึงอย่างหนึ่ ง, ง, งเอ้ยรูป ก, กับน้ําเนี่ยมันเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันเมื่อเห็นด้วยปัญญาเนี่ยมันก็เออใช่มันขาดเลยขาดก็หมายความว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันเนะาะออกมาเหมือนกับน้ำนํำน้ําสีแดงคนที่ไม่เข้าใจนึ ก, นกว่าน้ําสีแดงจริงๆริงนะยังไงก็เชื่อสนิทใจเลยว่าน้ํานี่สีแดงน้ํานี่สีแดง หรือว่าน้ํานี้สีเขียวน้ํานี่สีเขียวแต่เมื่อมีปัญญาเนี่ยรู้ที่มาที่ไปก็ปรากฏ ว, ว่าพบว่าอ๋อน้ําก็อย่างหนึ่งสีสีก็อย่างหนึ่งแต่เมื่อสีกับน้ํามาผสมกันซึ่งมันกลืนเป็นเนื้อเดียวกันก็เลยกลายเป็นน้ําแบง่งน้ำน้ําเขียวขึ้นไปแต่ที่มาที่ไปเนี่ยมันก็คือมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างะธรรมะก็เหมือนกันเมื่อเรียนศึกษาเยอะๆกลายเป็นว่าเรารู้แล้วเรารู้แล้วว่าอ๋อมันมีรูปกับนามแต่ละอย่าง แต่ทีนี้่มันไม่รู้จักสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งก็คือธรรมชาติที่มารู้เราเออไอตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นเตี๋ยตัวที่รู้ได้ยากที่สุดนะพอไม่รู้จักไอธรรมะที่ที่รู้เราเนี่ยหมายความว่าไอตัวที่มันเป็นสภาพที่มันเป็นเอกเทศเป็นหนึ่งเบียวนะแต่มันมีคุณสมบัติคือรู้รู้รู้ได้อ่ะก็เรียกว่ามันมีรู้แล้วมารู้อีกรู้หนึ่ง รู้อีกรู้หนึ่งก็คือเรียกว่าตัวเราเนาะพอมันรู้ได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นความชัดเจนเลยว่าอ๋อไอรู้ที่ไม่ปรุงแต่งกับรู้ที่ปรุงแต่งมันก็เป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างอีกเหมือนกันแล้วก็มันเข้าใจด้วยปัญญาอย่างชัดเจนอย่างหมดสงสัยก็คือว่ารู้ที่มารู้เราเนี่ยมันเป็นรู้ที่สิ้นทุกเป็นรู้ที่พ้นออกไปนะเพราะมันพ้นพ้นจากอะไรก็คือพ้นจากความปรุงแต่ง แล้วมันจะเข้าใจคือไม่มีข้อสงสัยเลยในเรื่องทุกข์กับความไม่ทุกข์ความพ้นทุกข์อ่ะนะแล้วมันเข้าใจถึงแจมแจ้งเลยนะแต่สุดท้ายมันก็ยังอาจจะตกมาตายอีกว่าเราเป็นผู้รู้แล้วเราเป็นผู้รู้แล้วว่ารู้ที่มารู้เราอ่ะอันั้นเนี่ยเป็นรู้ที่หลุดพ้นอ้าวกลายเป็นว่าทําไปทามาก็มีตัวเราเป็นผู้รู้แจ้งอีกแล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องกลับมันจะต้องรู้เราผูท้ที่รู้แจ้งอีกทีหนึง่ง ตรงนี้ยมันเป็นซึ่งละเอียดจะต้องพัฒนาให้เร็วว่าเออมันจะมีตัวเราเข้าไปเป็นผู้รู้อยู่เรื่อยเลยนะเนี่ยถ้าถ้ายกใจตรงเนี้ยอกจะเหมือนกับว่าเออมันได้พัฒนาปัญญาอีกระดับหนึ่งอย่างเงยคือมันมันแทรกแซงตลอดมันมีพื้นที่ให้มันเท่าไหร่มันก็แทรกแซงตลอดใช่ใช่อย่างอย่างเราคยสนทนากันกันได้บอกว่าอ่ะ อย่างเมื่อกี้นะที่เราเริ่มต้นนะที่เรามาพูดถึงไอ้เรื่องรู้เรารู้เราเนี่ยทําไปทํามากลายเป็นเรารู้อีกแล้วน่ะใช่ไหมเพราะเอามาเล่าให้หลวงพ่อพูดเอามาบอกเอามาเล่าให้หลวงพ่อฟังใช่ไหมล่ะเออกลายเป็นเอันนี่เรารู้อีกแล้วนี่วะเพราะนั้นเนี่ยต้องชํานาญมากเลยในการที่จะรู้เรานะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ผักไสนะเพียงแต่ว่ามันรู้ทันว่ามีมีเราเป็นผู้รู้อีกแล้วทีนี้วิธีรู้ทันก็คือนี่แหละ ถ้ามันรู้รู้อะไรแล้วเอามาเล่าเอามาบอกมาพูดได้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะอตัวเนี้ยเป็นเรารู้หมดเลยแล้วก็ซึ่งในทางสมมติที่เรียกว่าเป็นรู้ปลอมอะ <c oughs> เป็นปลอมนะก็ถูกมันหลอกอยู่เรื่อยอย่างนี้หลงวงพ่อใช่ใ ช, ใช <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันเป็นสังขารไงไอ้สังขารไอ้วิญญาณเนี่ยไอ้ที่รู้ทั้งหลายใช่ไหมที่บอกว่าจิตทํางานร่วมกับเจตสิกเนี่ย <c oughs> ไอ้ที่รู้ <c oughs> รู้รู้รู้อะ รู้ไม่ว่ารู้จากการกระทบภาระทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็พอรู้เสร็จแล้วมันก็ทั้งทำงานร่วมกันกันกนเกบเจตสิกใช่ไหมก็มีเวทานาสัญญาสังขาร น, นะร่วมกันพืบเลยทีนี้พอทํางานร่วมกันมันก็จะแสดงออกด้วยการพูดไงด้วยการพูดเพราะว่าแสดงออกด้วยการพูดแสดงอ่ะเหมือนกับว่าแสดงปรากฏขึ้นมาลักษณะเป็นคําพูดก็ดีเป็นความอะไรก็ดีเนี่ยตรงเนี้ทําให้ถูกจับได้ว่าอ๋อ อ้จิตกับใจกับสิ่มันทำงานแล้วมันแล้วก็สามารถพิสูจน์รู้ได้จริงก็ตรงที่มันแสดงออกเนี่ยแสดงออกเช่นนะสมมจิตทำงานร่วมกับเวทนาเนาะเวทนาก็คือมันไปรู้เวทนาคือความไม่สบายพอรู้ว่าไม่สบายเนี่ยมันจําได้แน่นอนเลยว่าอันเนีเน้เป็นเป็นความไม่สบายแล้วก็เอามาพูดให้ตัวเองฟังหรือว่าบนให้ตัวเองฟังก็ได้บอกว่าโอ้แย่เลยแย่เลยไม่สบายอีกแล้วเห็นไหมมันทํางานร่วมกัน แล้วรวมถึงอาจจะพูดออกมาทางวาจาก็าคือใช้ก่ใช่พูดพูดให้คนอื่นฟังบอกว่าวันนี้เราไม่สบายอยีกแล้วเรารู้สึกไม่สบายใช่ไหมเพราะนั้นจิตกับเจตสิกเนี่ยมันทำงานร่วมกันตลอดเวลาแล้วเพียงแต่ว่ามันจะแสดงออกในทางให้คนอื่นรับรู้หรือว่าให้ตัวเองรู้ได้คนเดียวใช่เพราะนั้นทั้งจิตทั้งเจตสิกพวกนี้ก็จัดว่าเป็ น, เ ป, นเป็นนามธรรมแล้วเป็นความปรุงแต่งซึ่งยังไม่ใช่ ยังไม่ใช่เป็นความบริสุทธิ์แท้เออทีนี้ความบริสุทธิ์แท้เนี่ยมันก็ต้องไปพูดถึงเรื่องนิพพานนี่นแหละคือถ้าตามใจที่มีการรู้รู้อย่างที่ไม่ปรุงแต่งตรงนั้นแล้วมันก็จะรู้จักนิพพานขึ้นมาโอ้ตรงนั้นก็ต้องขยายอีกนะพูดไปพูดมาก็สังขารทั้งนั้นเพรานั้นวิธีจบสั้นๆก็คือว่าแค่รับรู้สังขารที่กําลังปรากฏ อ, อ่ะออมันสังขารไปก็รู้ไปสังขารไปก็รู้ไปมันก็วนๆอยู่อย่างนี้แหละสังขารก็เป็นสิ่งที่ปรากฏให้รู้เนาะ ก็รู้ไปรู้ไปรู้ไปก็มีแต่รู้แต่พูดธตะพืะพอกันเนี่ยเขามันมันที่หลวงพ่อพูดนะว่าพอเราไปพูดว่าสังขารรู้มันก็เป็นเราพูดอีกครับถูกต้องอ่ามันคือตรงนี้มันมันเหมือนกับว่าเออมันเหมือนกับว่าสภาพที่จะแยกขาดจริงๆนั้นมันเหมือนกับว่าเราโบยไปให้สังขารทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นเราโยนไปให้สังขารหมดแตจริงๆมันยังเป็นเราโยนอใช่ตรงนี้คนคนเห็นยากเพราะว่ายิง่งคนเรียน เรียนสูงเนี่ยโดยเฉพาะเรียนอภิธรรมนะมันจะโบ้ยหมดเลยอะมันจะโบ้ยหมดเลยแต่มันไม่เห็นตัวเองที่เป็นผู้โบ้ยอ่ะมันไม่เห็นมันเพราะว่าโมแต่โบ้ยไงียก็เลยไม่เห็นตัวเองไม่เห็นตัวผู้โบ้ยอ่ะเช่นสมมติว่าลองลองคุยในบรรดาในอภิธรรมดิลองคุยเลยมันจะมีตัวเราโบ้ยหมดทุกเรื่องเลยว่าอันนั้นก็เป็นเจตสิกอันนั้นก็เป็นกี่ดวงกี่ดวงคือไปรู้เรื่องจิตไปรู้เรื่องเจตสิกไปรู้เรื่องอื่นอ่ะไปรู้เรื่องของของคนอื่นอ่ะ แต่ไม่รู้ตัวเองอ่ะเออเนี่ยเยตัวเนี้ยมันลองไปดูนะถ้าสมมติเนี่ยโยมมีประสบการณ์และประสบการณ์เพราะว่าเคยเรียนอริธรรมมาก่อนด้วยใช่ไหมคือเข้าใจและสุดท้ายเนี่ยชี้ให้เห็นตบคนที่มีอัตตามันเห็นไม่ได้ไงเพราะว่ามันจะยึดมันจะบ้ยอย่างเดียวมันบอกว่าคนสัตว์ไม่มีหรอกคือมันจะเอาตัวเราเนี่ยบ่ยอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าอันนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอยากที่สุดเลยเนี่ยถึงว่ามันเป็นอวิชชาที่ที่มันบังความจริงนะ บายากที่สุดเลยครับเมืม่อวานผมคุยกับเพื่อนที่เป็นโควิดเขาก็สนใจภาพพิธรมนะครับสี<ม>่ห้าปีตรงนี้ผมก็พยายามว่าถามว่าเออผมก็พยายามสื่มือนที่หลวงพ่อพูดนะ ว, ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ทั้งเจ็บทั้งป่วยทั้งโควิดนี้เป็นสังข า, ารอาการไม่ใช่เรา<ม>เขาก็บอกว่าเออเขาก็รู้อย่างนั้นจริงๆถูกต้องแต่ผมถามต่อไปว่าตอนนี้ใครป่วยเขาก็บอกว่าเป็นเป็นจิตเจริสิกหรือว่าเออใครรู้เขาบอกว่าเป็นเป็นจิตรู้ แล้วผมว่าใครรู้จิตเขาก็บอกว่าเออก็ก็จิตรู้นี่แหละเป็นปัญญารู้มันเหมือนกับว่าจับโจรไม่ได้สักทีอ่ะครับว่าจริงเป็นเรารู้นี่ครับใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเข้าใจเห็นแล้วมันจะง่ายมากเลยเนาะมันจะรู้จักตัวเราเลยว่าเรานี่แหละรู้ทุกเรื่องรู้เรื่องจิตรู้เรื่องเจตสิกรู้เรื่องนิพพานรู้ปรมัตร์รู้สมมติเราทั้งนั้นแหละที่รู้แต่มันมันไม่พบต้นต่อผู้รู้สักทีหนึ่ง แล้วก็เลยก็กลทําำลายผู้รู้ไม่ได้มันก็เลยติดไงก็เลยก็ยึดยึดติดแล้วยึดคำภพคาชาติ น, นั้นมันยึดจนกว่าจะรู้ว่าไอเราผู้รู้เนี่ยจริงๆก็คือสังขารเหมือนกันนะเนี่ย mm. ความเป็นวัตความเรียกว่าความที่ต้องเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยที่เป็นวัตตาสงสารเนี่ยมันก็วนอยู่อย่างเนี้ยวนเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยการที่จะจบได้คือต้องต้องเข้าหาผู้รู้ที่หลวงพ่อเคยใช้เป็นภาษาสมมตินะเข้าหาผู้รู้ก็คือตัวเรานั่นแหละ เห็นผู้รู้พอเห็นผู้รู้ป่๊ บ, บผู้รู้ก็ปรุงแต่งสุดท้ายมันก็หมดผู้แค่ผู้รู้มันก็หมดแล้วนี่เนาะถ้าไปรู้ใหม่อีกมันก็เป็นเราอีกใช่ไหมละ่ะเออที่พูดได้ที่อธิบายได้อ่ะเพราะนั้นเนี่ยมันจบตรงที่พบผู้รู้แล้วก็ทําลายผู้รู้ตรงนี้แหละทําลายก็คือหลวงพ่ออธิบายไปแล้วคือทําลายความเห็นผิดเนาะเห็นผิดว่าคือทั้งพบทั้งเห็นแล้วก็เห็นแล้วก็เห็นอย่างถูกต้องเป็นสมาธิฏฐิว่าผู้รู้เนี่ยก็เป็นสังขารปรุงแต่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันมันก็จบ ปรจบเสร็จแล้วนะเอาเหรอก็มีผู้รู้ตัวใหม่ก็คือเป็นเราอีกเราต้องอธิบายอีกว่าอุเราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วเราแบบแจ่มแจ้งหมดแล้วเราพ้นทุกเอ้ยก็ยังฟอมอยู่นี่อีกเหรอวะก็คือว่าถ้าเป็นภาษาบ้านเรามันแถไปได้เรื่อยจริงจริงแต่เหมือนเหมอเลยแถ น่าสนใจที่ตรงที่หลวงพ่อพูดเรื่องพัดลมนี้นะครับหลวงพ่อใช้ใช้สื่ออุปกรณ์พัดลมมันก็มีการเคลื่อนไหวมันมันมีเสียงและบางทีมันก็มีมันมีลักษณะของการเคลื่อนไหวเหมือนเราก็เป็นคนเลยะครับแล้วพอไปไปสอนนักเรียนนะเหมือนกับว่าเวลาเหมือนกับเรารู้ครับว่าเออพัดลมมันมีการมันมีเสียงดังมันมีการเคลื่อนไหวนั้นพัดลมกับเรามันแยกกันจริงๆเราก็ไม่ใช่พัดลมพัดลมก็ไม่ใช่เราอันนี้เด็กๆใครๆก็รู้ แต่ว่าแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเออพัดลมนั้นถูกเห็นออืแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเออสิ่งที่ไปเห็นคือตัวเราที่รู้เต็มๆว่าพัดลมก็คือพัดลมเราก็คือเราตรงนี้หลวงพ่ออธิบายว่าต่อให้ไม่ได้ไปฝึกจิตหรือว่าไม่ได้ไปสํานักปฏิบัติไม่ได้ไปไหนมันก็รู้ว่ามันคนละอย่างกันออืแต่ว่าไอตัวที่เราถูกรู้เหมือนกับเรากลายเป็นพัดลมตัวที่สองเนี่ยคนไม่รู้ข้อนี้เออนี่นะถ้าถ้าสมมติว่า พอตั้งแต่เกิดใช่ไหมให้รู้ตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ตั้งแต่เกิดแล้นะมันพ้นเราเรียบร้อยตั้งนานแล้วแต่ทีนี้มันไม่มีใครรู้แบบนี้ไงเพราะว่ามัวแต่รู้แต่พัดลมมัวแต่รู้สิ่งอื่นที่อยู่นอกตัวและรวมถึงรู้แต่อาการที่อยู่นอกนอกนอกนอกจิตอ่ะเนาะจะเรียกไงชื่อกายอย่างเงี้ยกายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกจิตใช่ไหมล่ะอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารตรงเนี้ยมันอยู่นอกจิตแต่มันไม่รู้จิตไงไม่รู้จิตก็คือจิตที่ปรุงแต่งเออมันไม่รู้ กันเลยก็แต่จริงๆเนี่ยจักทางอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกับว่าสุดยอดแล้วแหละแต่ว่าเพียงแต่นะพัฒเหมือนกับว่าใช้ใช้เวลาที่เหลือเนี่ยเป็นประสบการณ์ซึ่งเพราะว่าประสบการณ์นี่แหละมันก็มีอยู่ทุกวันแหละไอตัวเราที่เป็นผู้รู้บ้างที่เป็นสิ่งถูกรู้บ้างอะไรเยอะแยะเนี่ยก็สร้างความชํานาญเหมือนกับขับรถอ่ะขับเป็นแล้วแต่ก็ขับทุกวันมันก็ยิ่งชํานาญใช่ไหมเออแต่โดยสุวนก็คือไม่มีใครเป็นผู้ชํานาญ แต่ถ้าให้พิจารณาก็คือมันคกุมายารย์ว่าจิตทรงออกนอกนี้ใช่เลยอ่ะครับส่วนใหญ่ยนจิตทรงออกนอกหมดที่ไม่ไม่ได้ศึกษาธรรมะอะไรแต่พอศึกษาธรรมะมันจิตเพ่งอย่างเงี้ยมีแต่เ น, น้นแบบเน้นแบบเพ่งเพ่งเล็งเจาะมาตัวเองข้างในเน้นจะรู้สึกตัวเน้นจะรู้สึกเน้แนแตเน้นแต่รูปภายในดับตาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆมันต้องเหมือนแบบเห็นทั้งข้างนอกด้วยเห็นทั้งข้างในด้วยครับมันเป็นการประสมประสานอยู่ครับใช่ใ มันไอ้เรื่องนี้ที่ที่ทําให้เข้าใจง่ายเนี่ยไอ้การเห็นนอกเห็นในเนี่ยเราลองยกตัวอย่างนะสมมติว่า น, นอกก็คือนอกตัวนะอะไรก็ได้มันก็เป็นสิ่งถูกเห็นแล้วไอ้ตัวที่ไปเห็นใช่ไหมที่เรียกว่าในเนี่ยอะสมมติว่าในมันก็เป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วแล้วมันจะเข้าใจสภาพธรรมะที่ทําหน้าที่เห็นนะ่ะได้อย่างง่ายๆเลยว่าไอ้ธรรมชาติที่เห็นนะ่ะมันไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นนอกและก็ไม่ได้เป็นใน แล้วก็จะถามว่ามันมันอยู่กลางหรือเปล่าอา๋ออยู่กลางมันก็เป็นสิ่งถูกเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวไอ้สภาพธรรมะที่เห็นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเป็นกลางสุดท้ายแลย้ยถ้ารวมโดยปลรมยโดยสมมติโดยวิมุตตกันแล้วคือไม่เป็นอะไรจริงๆริงไม่เป็นอะไรจริงๆไม่เป็นนอกไม่เป็นในไม่เป็นกลางไม่เป็นไม่ไม่หมดเลยแหละถ้าว่าไปแล้วคือจปะปฏิเสธเพราะว่ามันคุณสมบัติของมันคือเห็นหรือว่ารู้เนี่ยมันก็คือ อย่างเดียวเท่านั้นน่ะที่เรียกว่าเป็นหนึ่งน่ะเออเนี่ยนะอืมแล้วก็บอมาพูดถึงเรื่องทุกเรื่องสุขกันไหมทุกสุขก็เป็นสิ่งถูกเห็นอยู่ดีแต่สภาพธรรมะที่เห็นน่ะมันจะเป็นสุขได้วยังไงเพราะว่ามันเป็นธรรมะแต่ละอย่างน่ะใช่ไหมเออแล้วก็ถ้าถามว่าหลุดพ้นไหมอาจย์สมงติถ้าพูดกันแบบเป็นแต่ละอย่างนะหลุดพ้นคืออะไรหลุดพ้นคือมันพ้นจากอันหนึ่งมาเป็นอีกอันหนึ่งมันก็ไม่ได้หลุดพ้นอะไรเพราะมันเป็นแค่สภาพหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวคือรู้ มันไม่ได้หลุดมันไม่ได้พ้นอะไรหรอกเพราะว่าหลุดพ้นเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่ไปบัญญตัติหรือไปเป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยโอโหเนี่ยจึงเขบอกว่าจึงมันจึงเหนือภาษาที่จะไปบัญญัติว่ามันมันมันเป็นอะไรเพราะบัญญัติไปมันก็ก็เป็นสิ่งถูกรู้อยู่ดีหีือเพราะบัญญัตินะโอ้โหละเอี ย, ยดมากครับหลวงพ่อที่ทําให้มาเห็นความจริงภาษาบางทีมทําให้สับสนด้วยครับ ก็เหมือนเหมือนที่หลงปู่หลงเหมือนปูดินเออหลวงปูดุลน่ะที่พูดถึงจิตพุทธะใช่ไหมท่านบอกว่ามันหมดคําอธิบายแล้วก็จิตมันก็ไม่ใช่จิตแล้วคือมันมันเหนือไปหมดจนไม่สามารถจะอธิบายได้อสภาพธรรมะอย่างเนี้ยเนี่ยก็เลยโอ้โหมันก็เหลือยากเหลือเกินที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเหมือนกับจะรู้แล้วก็ไม่ฮึ่มยังสอนยังไงเดีอะไรเลยท่านเกือบไม่สอนยังไงตามที่เราฟังมาเนาะ เพราะฉนั้นทำมาหาพมหรือี้ใครอาจารนาบอกเออชอนเธอ้อนเธอแต่มาเก็ตที่หลวงพ่อบอกว่าสาภาว่าที่ถูกรู้กับสาภาว่าที่รู้มันคนละอยากกา่างกันเมื่อเราถูกรู้เสร็จ แ, แล้วนั้นไอเราจะมีตรงไหนอ่ะตรงนี้ผมเก็ตตรงนี้เลยครับอืเพราะว่าคําว่าเรารู้กับเราถูกรู้นี่มันไม่นคนละแบบกันแต่บางท่านคนที่ที่ทำก็ยังก็ยังมองว่าเป็นเราทั้งสองอย่างนั้นเลยมันไม่เป็นเราแล้วตอนนั้นใช่ใช มันเป็นสภาพธรรมะอีกอีกอย่างหนึ่งแล้วไงใช่ไหมนะแต่ ถ, ถ้าภาษาอาจารย์เรื่องเราบอกว่าวก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปละอย่างใช่ไหมเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินรู้เป็นรู้ถูกเห็นก็เป็น<อ>ถึงถูกเห็นก็ว่าไปแล้วก็เป็นแต่ละอย่างนะตรงนี้ก็ชัดนะอาจารย์พูดชัดแต่ว่าปัหาถือว่าผู้สอนเนี่ยอันนี้เราไม่รู้นะว่าผู้สอนเนี่ยได้ ได้เห็นไอ้อย่างที่เราคุยๆตรงนี้ไหมถ้าเห็นมันก็ก็ครบรอบสมบูรณ์นั่นแหละแต่ถ้าไม่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยยังยังพ้นไม่ได้อชาติเนี้ยชีวิตเนี่ยเกิดมาเทวเนี้ก็ยั ง, งวนไหวตายเกิด อ, อยู่อืแต่เนี่ายขบวทั้อ ง, งดบวนงบวลมันวันที่หลวงพ่อต้องกลับมาสรุปว่าเออแล้วใครรู้อ่ะแต่<ม>ตรงนี้จะไม่มีการสรุปทิ้งท้ายไว้ซึ่งซึ่งเป็นเป็นเรื่องของปัญญาที่จะสรุปตรงนั้นเหมือนเหมือ น, นครูสอนนั้นขั้นนําขั้นสอนขั้นสรุป<ม>บางทีครูพูดละเอียด ถี่ยิบแต่ว่าิด็ก็ไปไกลไปแล้วว่าเออไม่รู้เป็นอะไรละเอียดไม่รู้ว่าคกูจะสอนอะไรวันนี้แต่ว่าถ้าปัญญาเขาจะสรุปได้ว่าเออเป็นใครรู้ก็เป็นเรารู้นั่นแหละไม่พนเรารู้อืมใจ่ใช่ เพราะปเนที่น่าสนใจทำไมหลวงพ่อจะจะมามักจะพูดว่าเป็นเรารู้ทั้งตัวอนะ่ะตรงนี้ค่อยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสขับเขาค่อยมาถามหลวงพ่อเพิ่มเติมว่าทําไมต้องใช้คําว่ารู้ทั้งตัวด้วย ม, มันเหมือนกับสมัยก่อนที่ผมไม่ไม่รู้เฉพาะแข่งไม่เฉพาะเฉาขารู้เฉพาะมือรู้เฉพาะนิ้วมันไม่รู้ทั้งตัวด้วยช่วงหนึ่ง ตรงนี้มันอันตรายไหมหรือว่าตรงนี้มันเป็นอุปสรรคยังไงบ้างพ่อเราไปเพ่งที่มือเราไปเพ่งที่ขาเราเราจะไม่รู้ทั้งตัวแต่ว่าถ้ารู้รู้ไม่ทั้งตัวเนี่ยมันรู้แบบเขาเรียกว่ารู้แบบวงแคบไงทีนี้หลวงพ่อเคยใช้อย่างนี้ไอ้คาว่าเราเนี่ยเพราเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เป็นสรรพนามเรียกตัวเองว่าเราเร า, เราเราวะนะตรงนี้ก็เลยความรู้สึกของของหลวงพ่อเนี่ยไอ้คาว่าเราเนี่ยก็คือทั้งตัวอยู่แล้วแหละก็คือโดยภาพรวมเนาะ มันไม่ได้แบ่งแยกว่าแขนขาหรืออะไรที่เรียกว่าตัวแต่ว่าคําว่าตัวเนี่ยเช่นคําว่าผมเนี่ยเวลาเราใช้สัรพนามบอกว่าผมผมผมเนี่ยคือมันเป็นปัญญามันเป็นเหมือนกับความรู้สึกที่เราเข้าใจได้ว่าคําว่าผมหรือว่าคําว่าเรามันหมายถึงอะไรก็หมายถึงปั๊บอ๋อก็ทั้งตัวนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ปรากฏการที่หลวงพ่อไปยืนดูนาฬิกาน่ะตอนแรกตัวเราก็เป็นผู้ดูใช่ไหมดูดูดูก็เห็นน่ะ แต่พอดูไปนานๆปั๊บมันปิ้งขึ้นมาว่าเอา้าไอตัวเราทั้งตัวเห็นไหมมันมันใช้คําว่าตัวเราทั้งตัวเนี่ยเป็นสิ่งถูกเห็นเลยอะ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นแค่เห็นแค่แข็งแค่มันหมายว่าโอโ้ทั้งตัวเลยที่เป็นผู้ยืนผู้นั่งผู้ดูเนี่ยมันเป็นหมดนะผู้ดูก็เป็นถึงนนี่ผู้ที่ยืนดูมันก็เป็นตัวเราผู้ที่กําลังมองก็เป็นตัวเราผู้ที่กําลังคิดกําลังนึกกําลัง อาที่โหมันก็เป็นเราหมดก็รวมแล้วก็คือทั้งตัวพอทั้งตัวป๊อพอเห็นเราทั้งตัวมันก็วางได้ทั้งตัวก็คือเหมือนกับว่ามันแยกระหว่างเอสภาพธรรมะที่เห็นตัวเราเนาะไอ้นั้นก็อย่างหนึ่งแล้วก็ตัวเราก็อย่างหนึ่งแล้วมันเห็นอย่างชัดแจ้งเห็นด้วยปัญญาชัดแจ้งเลยว่ามันเป็นคนละอย่างกันแล้วมันเทียบได้เลยว่าถ้าพูดถึงเรื่องทุกเรื่องทุกเนี่ยโอ้ยกัตัวเราทั้งตัวนั่นแหละมันก็คือตัวทุกอแต่สภาพธรรมะที่เห็นเรา มันไม่มีทุกข์เลยมันไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งการปรากฏรูปลักษณ์สันารรูปพันุว่าน่ามันไม่ปรากฏเลยอะมันไม่ปรากฏเลยอะแล้วมันจะมีทุกข์ได้ยังไงเนี่ยตรงเนี้ยก็เลยจังใจแต่วันนี้ก็คือว่าเวลาเดินเหินไปไหนถือว่าเออเวลาขับรถอะไรต่างๆนั้นมันรู้ทั้งตัวเลยครับหลวงพ่อมันรู้ว่ากําลังนั่งทั้งตัวกําลังยืนทั้งตัวกําลังพูดคุยทั้งตัวเออ มันมันเหมือนกับที่ที่ที่คนนั้นเคยบอกว่ามันเหมือนกับเราเห็นหุ่นนะเห็นหุ่นนะ่หุ่นเดินเช่ใช่มันก็เป็นอัศจรรย์นะครับที่มันมันเหมือนมีตาอีกตาหนึ่งมาสังเกตหุ่นครับใช่ใชแต่ว่าการไปรู้เพ่งเฉพาะจุดนั้นครับมันกลายเป็นว่าเออในขณะนั้นไม่ได้เห็นทั้งตัวมันเห็นเฉพาะแขนเฉพาะมือเฉพาะเท้าเฉพาะส่วนๆที่เคยไปฝึกความรู้สึกตัวมันติดตรงนี้ก็นานเหมือนกันครับติดตรงนี้ใช่ใช่ อ่ะทีนี้นะเดี๋ยวเหลือใกล้เวลาทีนี้การเห็นทั้งตัวนะคือให้มันเห็นแบบเหมือนกับแวบๆอ่ะเพราะว่าพบการแวบๆเนี่ยเขาเป็นการไม่ไม่เพ่งไม่ตั้งรู้ไงไม่ตั้งตัวผู้เห็นเนาะเหมือนกับว่ามันเป็นแค่ระลึกได้เนี่ยเป็นความระลึกได้ก็คือเป็นสติสัมปชัญญะไงถ้าพูดให้เข้าใจมันแวบๆเป็นเห็นแบบแค่รู้ว่าทั้งตัวแค่แวบๆไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เที่ยงใช่ไหมไอ้ตัวเราที่เป็นผู้ดูผู้มองอะไรเดี๋ยวมันก็เป็นเที่ยงขึ้นมา เพราะนั้นจริงๆการเห็นเนี่ยคือมันเห็นแวบๆแล้วก็สิ่งถูกเห็นเนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นความปรุงแต่งที่ที่เขาเรียกว่าเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเห็นไหมเออมันคือมันไม่ใช่ตัวจริงๆอ่ะมันเป็นแค่วับๆเงาเงาแล้วก็มันก็จางหายไปเดี๋ยวก็ลึกๆมันก็แวบใหม่ใช่ไหมเนี่ยมันชัดๆอยู่เลยว่าไอ้ตัวเราทั้งตัวเนี่ยมันแสดงไตรักอยู่อ่ะมันไม่มีความเที่ยงอะไรหรอก แต่ถ้าสมมติอยากให้เห็นตัวเราที่เป็นสิ่งถูกเห็นเนี่ยให้เห็นในชัดเนี่ยกลายเป็นมีการตั้งรู้อีกตัวหนึ่งเนาะไอ้ตัว<ม>ตั้งรู้ตั้งเห็นเนี่ยมันก็เป็นตัวตั้งขึ้นมาแล้วก็แข็งแข็งเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็เหนื่อยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก็นั่นไปหมดเพราะนั้นนะเหมือนกับวัดเดียวแค่นั้นแหละแต่ว่าพอรู้ทั้งตัวแบบนั้นเหมือนที่ตั้งแช่ที่หลวงพ่อว่าพูดมันจะหาวเยอะอะมันจะหาวบ่อยมันง่วงกับ เหมือนกับว่าบางทีที่กําลังนั่งคุยอยู่เนี่ยบางทีเมื่อกี้นัพูดให้ฟังก็คือมันก็แวบไปเรื่องของบินทบาตอย่างเงี้ยนะขณะคุยเรื่องนี้ใช่ไหมแวบอ่าแวบหนึ่งก็ถูกเห็นไปแล้วแล้วก็มันก็หมดไปอ่ะมันก็หมดไปตรงเนี้ยที่มันก็จะที่ภาษาสมมติเรียกว่าเป็นภาพมายาเนี่ยตรงเนี้ยมันเข้ากันได้ง่ายมากเลยเพราะว่ามันไม่ใช่จริงไงไปบินทบาตอะไรหรอมันเป็นแค่แวัฒนเป็นแค่ความปรุงแต่งเนาะปรุงแต่งในจิตเนี่ยหรืออะไรเงี้ย แถ่แว๊บหนึ่งแล้วก็มันอาจจะปุุงใหม่กับแว๊บหนึ่งตรงเนี้มันเห็นง่ายมากเลยอ่ะมันมันแทรกมันซ้อนขึ้นมาโดยที่มันไม่ได้เจตนาไม่ได้จงใจนะแล้วก็การรับรู้เนี่ยก็ไม่ได้เจตนาที่จะรู้ว่าเมื่ อ, อไรอาจจะมีอะไรมาแทรกไม่ต้องเลยมันเป็นแบบเป็นปัจจุบันขณะซึ่งเกิดเองดับเองรู้เองอะไรเองหมดเลยอ่ะตรงนี้เห็นจะถึงความหมดไปหมดไปจริงนะธรรมะเนี่ยมันคือสภาพธรรมที่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วไม่ได้สร้างไม่ได้ประดิษฐ์หรอก ต้องกราบหลวงพ่อมากมาที่มาชี้แนะไม่นั้นก็คิดว่าเอออีกนานกว่าจะเข้าใจความจริงเป็นกีฬการะภาวนานานโพ้นนะครับอืมอืมอือครับครับโอเคนะแค่นี้แล้วก็ไปฟลโล่ฟลโล่หลวงพ่อด้วยเนาะจะได้ติดตามได้ง่ายขึ้นครับอ่าโอเคครับขอบพระคุณอีกครั้งครับหลวงพ่อครับครับผ่านพอดีครับ